แนะนำบทอ น, นุรบทอ น, นุรเป็นบทมาดาญะมีห4สบสองค์การที่กล่าวถึงกฎข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆที่มีความหมายทางด้านนิติบัญญัติการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องทางด้านมัญญาววาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาโดยทั่วไปและโดยเฉพาะซึ่งสมควรแก่บรรดามุสลิมจะ ต, ต้องได้รับการอบรมเป็นรายบุคคล และเป็นหมู่คณะบทนี้ได้กล่าวถึงบรรัญญัติต่างๆที่สาคัญและข้อชี้แนะโดยทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเป็นสาระสาคัญในการเสริมสร้างสังคมที่สำคัญยิ่งบทนี้ได้กล่าวถึงมัญญาทางสังคมซึ่งจาเป็นแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องยึดมั่นเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตส่วนตัวและโดยทั่วไปเช่นการขออนุญาตก่อนที่จะเข้าบ้านผู้อื่น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 และปัญห า, ต, าต่างๆที่จะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมและความหายนะในที่สุดนอกจากนี้ในบทนี้ยังประมวลไว้ด้วยการมีบัญญาตอันสูงส่งเพราะความสำคัญและความประเสริฐของบทนี้ท่านอุมารอินีอร์คอตรอคพริฟฟาท่านที่สองจึงได้มีสารถึงชาวเมืองกูฟะในประเทศอิรักกล่าวว่าพวกท่านจงอบรมสั่งสอนบรรดาสตรีของพวกท่านด้วยบทอนันุร ชื่อของบทบทนี้มีชื่อว่าบทอนุรพระในบทนี้เป็นดวงประทีพแห่งอัลลอฮ์ทั้งนี้ด้วยการตราบัญญัติต sort of ่างๆเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบต่างๆทางด้านมัญญาาตลอดจนความดีงามของมนุษย์ซึ่งนับได้ว่าเป็นบ่กเกิดแห่งดวงประทีปของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวงบ่าวของปรุมซึ่งเป็นความเมตตาปราณีอย่างเต็มล้นของปรุ ขอพระองค์ทรงประทานแสงสว่างแก่ดวงใจของเราด้วยดวงพระทิพย์แห่งคำภีของพระองค์ท่านด้วยเถิดโอ้พระผู้อภิบาลแห่สงสากลโลกลรรด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอด้วยพระนามของ a l ั a นาูาวะงัรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ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 หญิงละเมิดประเวณีและชายละเมิดประเวณีพวกเจ้าจงโบยแต่ละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยถี และอย่าให้ความสงสารยับย <st> ั ah all ah <te> <ikka> ้งการกระทำของพวกเจ้า <attraction> ต <God> ่อคนทั้งสองนั้นในบทบัญญัติของลอปเป็นอันขาดหาพวกเจ้าศรัทธาต่อลอและวันปรอลกและจงให้กลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษของเขาทั้งสองนั้นออานนนีลลยิิมุชรก ชายละเมิดประเวณีจะไม่สมรสกับใครนอกจากกับหญิงละเมิดประเวณีหรือหญิงบูชาจเจวติตและหญิงละเมิดประเวณีจะไม่มีใครสมรสกับเธอนอกจากกับชายละเมิดประเวณีหรือชายบูชาจเจวติต และการกระทำเช่นนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่บรรดาผู้ศรัทธา。 และบรรดาผู้กล่าวหาหญิงบริสุทธิ์แล้วพวกเขาไม่ได้นำพยานสี่คนมาพวกเจ้าจงโบยพวกเขาแปดสิบทีและพวกเจ้าอย่ารับการเป็นพยานของพวกเขาเป็นอันขาดชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืนนอกจากบรรดาผู้กลับตัวหลังจากนั้นและพวกเขาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น แทจริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอและบรรดาพูกกล่าวหาพันยาของพวกเขาว่าละเมิดประเวณี และสําหรับพวกเขาไม่มีพยานนอกจากตัวของพวกเขาเองเพ็อห้การเป็นพยานคนหนึ่งในพวกเขากล่าวสาบานสี่ครั้งด้วยพระนามของอัลลอฮ์แท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริงและครั้งที่หพวกเขากล่าวว่าแท้จริงการสาบแช่งของอัลลอฮ์ประสบแก่เขา พวกเขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้กล่าวเพ็้ยนและพวกเขาจะทำให้นางพ้นจากการลงโทษต่อเมื่อนางกล่าวสาบานสีครั้งด้วยพระนามของละลอว่าเขาเป็นหนึ่งในหมู่ผู้กล่าวเพ็จ الله كان الص และครั้งที่ห้าให้นางกล่าวว่าแท้จริงความเกรี้ยอมลอดจงประสบแก่นาหากเขาเป็นคนหนึ่งในหมูม่ผู้พู ด, พดจริง ولو ول لا تضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم และหากไม่ใช่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์แล้วและแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรับการอภัยโทษผู้ทรงปรีชาญาตอินนัลเลจินะเจ้าูบิลอิตกัสเบตุมมินกุมลาเตห์สบูห์ชัรรัลลักุมบัลห์วะขัยรุลลักุม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 เาลาทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อไม่ให้กลับไปประพฤติเช่นนั้นอีกเป็นอันขาดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาอัลลลลอฮฺเลฺตุมุลอายัตอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮอัลาออัลลอฮัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลทั้งองทลยอฮยฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลัอ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْفَاحِشَتُ الَّذِينَ لَهُمْ أَلِيمٌ لَهُمْ أَلِيمٌ تَشِيْعَ فِي عَذَابٌ عَذَابٌ آمَنُوا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ وَأَنْتُمْ أَنْ فِي يَعْلَمُ تَعْلَمُونَ ถ้าจริงบรรดาผู้ชอบที่จะให้เรื่องบัตรสีแพร่หลายไปในหมู่ผู้ศรัทธานั้น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 َلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ زَكَى مِنْكُمْ โอบรรดาผู้สถาทั้งหลายพวกเจ้าจงอยาดติดตามทางเดินของไชยตอนและผู้ใดติดตามทางเดินของไชยตอน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 และสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างมากวันที่ลิ้นของพวกเขาและมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะเป็นพยานประปรามพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำไว้วัีมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะเป็นพยานประปรามพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ วันนั้น a l ล a h จะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริงของพวกเขาและพวกเขาจะรู้ว่าแท้จริง a ลล a น, นั้นคือผู้ทรงสัจจะผู้ทรงเปิดเผย。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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت ا غ ي ر بيوتهم حتى تستأنسو وتسلموا حتى تستأنسو وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أبو ب ن د ا ف حسatta ทั้งห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 แล้วร้อนั้นทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้ขลิลมุเอมินียัดูมินอับาริมวยฮฟรจลิลมุมินียัดูมินอับาริมวยฮฟรจมลอัซกามอินนัลลอฮะบรุบิมายันช่องกล่าวเถิดมวฮัมมัด แก่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำและให้พวกเขารักษาอา ว, วัยวะเพศของพวกเขานั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขาแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا ل ب ُ و ل ت ه م أو آبائهم أو آباء بعولتهم. أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو أبناء ع و ل ت ه م أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما م ل ك ت أيمالهن، أو التابعين، أو التابعين غير للإربة من الضجار، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.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 เพื่อให้ผู้อื่นรู้ถึงสิ่งที่พวกเธอควรปกปิดจากเครื่องประดับของพวกเธอและพวกเจ้าจงขอไพยโทษ ต, ต่อลอเถอโอบันดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะออลบ ออและจงให้พวกเจ้าแต่งงานกับผู้เป็นโสดในหมู่พวกเจ้าและกับคนดีๆจากพวงบ่าวผู้ชายของพวกเจ้าและบ่าวผู้หญิงของพวกเจ้าหากพวกเขายากจนเราจะทรงทำให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นด้วยความโปรดปรานของพระองค์ وَالَّذِي َ س ْ ت َ ع ْ ف ِ ف الَّذِينَ لَا ي َ ج د ُ و ن َ ل ِ ك َ ح ْ حَتَّى ي ُ غ ِْ ي َ ه ُ م ُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ ا ل ِْ ت َ ا ب َ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إ ِ ن ع َ ل ِ م ْ ت ُ م ْ فِيهِمْ خَيْرًا و َ آ ت ُ و ه ُ م ْ م ِ م َِّ اللَّهِ ا ل َّ ذ ِ ي ن และบรรดาผู้ที่ยังไม่มีโอกาสแต่งงานก็จงให้เขาสงวนตัว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 และโดยแน่นอนเราได้ประทานองค์การต่างๆชัดแจ้งให้แก่พวกเจ้าแล้วและอุทาหอนจากบรรดาผู้ได้ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้าและข้อตักเตือนแก่บรรดาผูย้ยำเกรง الله لور السماوات والأرض متل ن و ر ه ك م ش ك ا ش فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها ك َ ب د و ّ ي و ي قد من شجرة مباركة زيتونة ز ي ت و ن ة لا ش ر ق ي ة ولا غ ر ب ي ة كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور ا ل ل نور يهدي الله لنوره من يشاء.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 ที่มีความจำเริญคือต้นมะกอกมันไม่ได้อยู่ทางตะวันออกและไม่ได้อยู่ทางตะวันตกน้ำมันของมันแทบประกายแสงออกมาแม้นว่าไฟไม่ได้ไปกระทบกับมันดวงประที่ซีพนดวงประที่อนัลาะที่มีพลงางไา้ดวงปรดที่ขอยู่ในกรวาที่มพงูงดที่มู่รวลที่พระงงานสงสุดละละที่มีอยัราที่มลงยาอุทีอยนจัาลี้เพื่อมานุดอยนักาลทีนั้พเป็นผู้ทร่รออรู้ทนกสิ่ง นนลลนในบรรดา บ, บ้านหมายถึงมัสยิดอลัลลอฮทรงอนุ ญ, ญาตให้เพิดพระเกียรติและให้ระนามของพระองค์ถูกลำลึกอยู่เสมอเพื่อที่จะแท่ซองสรดุดีพระองค์ในนั้นทั้งในยามเชา้าและยามพลบคำ่ำ رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ه ولا بين عن ذكر الله لا تلهيهم ت ج ا ر ه ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأدصار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 ยพืาอิเราจะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างดีเยี่ยมตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพระองค์จะท่งเพิ่มความโปรดปารานของพระองค์ให้พวกเขาอีกแล้วเราจะทรงประธานปัจใจอย่างชีพให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคำว น, น والذين كفروا أعمالهم كسراب ب ق ي ع ة يحسبه الضمآن ما ء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب ه والله سريع الحساب ลบ่บรดาผู้ปฏิเสธศรัตน์นั้นการงานของพวกเขาเปรียบเสมือนภาพลวงตาในที่ราบโล่งเปลี่ยนคนกระหายน้ำคิดว่ามันเป็นแอ่งน้ำเมื่อเข้ามาถึงมันเขาจะไม่พบสิ่งใดเลยแต่เขาได้พบอัลลอฮ์ทรงอยู่ประจันหน้าเขาและพระองค์ทรงตอบแทนบัญชีการงานของพวกเขาอย่างครบครันเหล่าร้อนนั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการสอบสวน أو كظلمات في بحر ا ل ن ج ي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلما ت بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم ي ك د ي ر ه ا و َ م ن لَمْ ي َ ج ع َ ل ِ ا ل ل ه ُ ل َ ه نُورًا فَمَا لَهُ م ِ ن ن ُ و ر หรือเปรียบเสมือนความมืดมนในท้องทะเลเลยมีคลื่นซ้อนคลื่นท่วมมิดตัวเขาและเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนาทึบซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าเมื่อเขาเอามือของเขาออกมาเขาแทบจะมองไม่เห็นมันและผู้ใดที่ล้อทรงทําให้ไม่ได้รับแสงสว่างเขาก็จะไม่ได้รับแสงสว่างเลย จะมีเงินดอกหรือว่าแท้จริงออนันพูดที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผ่นดิน และนกที่กลางปีกอยู่ต่างก็แท้สองสดุดีพร่อมทั้งหมดนั้นต่างก็รู้การสวดขอพอรของพวกเขาและการแท้สองสดุดีของพวกเขาและลอ้นนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำและอำนาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ และยังอัลลอฮ์เท่านั้นคือจุดหมายปลายทาง。 เจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮนั้นส่งให้เมฆลอยและวส่งทำให้ประสานตัวกันและวส่งทำให้รวมกันเป็นกลุ่มก้อน แล้วเจ้าก็จะเห็นฝนโปรยลงมาจากกลุ่มเมฆนั้นและพระองค์ทรงให้มันตกลงมาจากฟ้าฟ้ามีขนาดเท่าภูเขาในนั้นมีลูกเห็บและพระองค์จะทรงให้มันล่นมาโดนผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์จะทรงให้มันผ่านพ้นไปจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แสงประกายของสายฟ้าแลบเกือบจะเฉี่ยวสายตาผู้มองดูอยู่ไปแล้ว ย Allah ทรงให้กลางคืนและกลางวันหมุนเวียนกลับไปกลับมาแท้จริงในลักษณะเช่นนั้นแน่นอนมันเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสายตา الله خلق كل دابة مما ف منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أ ر ب ع Orage, แล้วเอา <eredith> ได้ส่งบังเกิดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมาจากน้ำดังนั้นในหมู่พวกมันจะเคลื่อนย้ายด้วยท้องของมันและในหมู่พวกมันจะเดินด้วยเท้าทั้งสองและในหมู่พวกมันจะเดินด้วยเท้าทั้งสี่ อัลลอฮ์ทรงบังเกิดสิ่งที่โปรองทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง لَقَدْ أَنزَلْنَا أَنزَلْنَا وَاللَّهُ ความจริงเราได้ประธานองค์การต่างๆอันชัดแจ้งลงมาและอัลลอฮ์จะส่งชี้แนะแก่ผู้ที่โปร่งส่งประสงค์ไปสู่ทางอันเพียงตวะถูก และพวกเขากล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่อลอร์และรอสูลและเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามและส่วนหนึ่งของพวกเขาก็หันหลังกลับไปหลังจากนั้นและพวกเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง และเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสวดละและเราสูญของโปรเพื่อตัดสินระหว่างพวกเขาเมื่อนั้นฝ่ายหนึ่งจากพวกเขาก็พากันถิ่หลังให้อีุมมนและหากว่าความจริงอยู่ข้างพวกเขาแล้วพวกเขาจะรีบมาหาเขาโมฮัมหมัดอย่างนอบน้อม ي ي ในหัวใจของพวกเขามีโรคกระนั้นหรือหรือว่าพวกเขาสงสัยหรือว่าพวกเขาเกือว่าอัลลอฮ์และรอศูนของปรุงจะลำเอียงออกจากพวกเขาหาไม่ได้ พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้อาธรรมตัางหากอินนัมะะะะะะ ل ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ و ل ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ เมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอสูงของพระองค์เพื่อให้ตัดสินระหว่างพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าเราได้ยินแล้วและเราเชื่อฟังแล้วและชนเหล่านี้คือผู้ประสบความสําเร็จและผู้ใดเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์ และเตรงกลัวอัลลอฮ์และยังเกรงพระองค์แล้วชวนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับชัยชนะ และวพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอ์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันของพวกเข า, าหากเจ้ามีคำสั่งแก่พวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จอดไปจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าพวกเจ้าอย่าสาบานเลยการเชื่อฟังของพวกเจ้านั้นเป็นที่รู้กันดีแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอ์และจงเชื่อฟังรอศูลหากพวกเจ้าผินหลังให้ แท้จริงหน้าที่ของเขารอศูนย์คือสิ่งที่ได้ถูกมอบหมายและหน้าที่ของพวกเจ้าก็คือสิ่งที่ได้ถูกมอบหมายเช่นกันถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามเขาแล้วพวกเจ้าก็จะอยู่ในทางนำที่ถูกต้องและหน้าที่ของรอศูนย์ไม่มีอื่นใด นอกจากการเผยแพร่อันชัดแจ้งเท่านั้น。 Allah ส่งสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธานในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่กระทำความบีทั้งหลายว่าแน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงในแผ่นดินสเสมือนที่พระองค์ทรงให้บรรดาชนรุ่นก่อนพวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงมาก่อนแล้ว และพระองค์จะทรงให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นที่มั่นคงแก่พวกเขาและแน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยหลังจากความกลัวของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะเคารพพักดีข้าไม่ตั้งภาคีต่อข้าและผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ฝ่าฝืน และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคละสกาดและจงเชื่อฟังรอซูลเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา พวกเจ้า ม, มุฮัมมัดอยคิดว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศาสนานั้นจะรอดทนไปจากทั่ดินให้ได้และที่พํมนักของพวกเขาคือไฟนรกและมันเป็นบ้านปลายที่ชั่วช้าย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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون كيابكم من الظهرة ي ومن بعد صلاة ا ل ل ي شاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا علينا جناح بعدهن ق و ا ف و َ عليكم بعضكم على بعض ขอบดดาพุทธทาทั้งหลายจงให้บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองและบรรดาผู้ที่เบิกบรรลุาศาสนภาวะในหมู่พวกเจ้าขออนุญาตพวกเจ้าสามเวลาคือก่อนเวลาละหมาดฟัชรีและเวลาพวกเจ้าจเจ้าเปลืองผ้าในเวลากลางวัน แในหลังจากเวลาละหมาตอีชาทั้งสามเวลานี้เป็นเวลาส่วนตัวสำหรับพวกเจ้าหลังจากนี้แล้วไม่เป็นที่น่าตําหนิแก่พวกเจ้าและพวกเขาเพราะพวกเขาวนเวียนรับใช้บางคนในหมู่พวกเจ้าเช่นนั้นแหละอละัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญ َإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ الْحُلُمَ مِنْكُمُ فَلْيَسْتَأْزِنُوْكَ قَبْلِهِمْ และเมื่อเด็กๆพวกเจ้าบรรลุศาสนาภาวะก็จงให้พวกเขาอนุญาตเช่นเดียวกับบรรดาชนก่อนหน้าพวกเขาได้ขออนุญาต เช่นนั้นแหละเอาล้อทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายของปรุงให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พูกเจ้าและล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชายาัาอ اء, อ, าา ا, นนาอินบนบบห และบรรดาหญิงชราที่พวกนางไม่ปรารถนาที่จะสมรสแล้วไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนางที่จะเปลื้องผ้าของนาง่อนโดยไม่เปิดเผยส่วนงดงาม และพวกานางงดเว้นเสียก็จะเป็นการดีแก่พวกานางแล้วร้อนนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ไร้ส้นเลอรับประทานอา ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أ ع م ا ل ك م أو بيوت عماتكم. أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم م ف ا ت ح ه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوت فسلموا على ق س ُ م تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تأقرون ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนตาบอดและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วยและไม่เช่นกันแก่ตัวของพวกเจ้าที่จะรับประทานที่บ้านของพวกเจ้าหรือบ้านของพ่อพ่อของพวกเจ้าหรือบ้านของแม่แม่ของพวกเจ้าหรือบ้านของพี่ชายหรือน้องชายของพวกเจ้าหรือบ้านพี่สาวหรือน้องสาวของพวกเจ้า หรือบ้านของลุงอาของพวกเจ้าหรือบ้านของป้าอาสาวของพวกเจ้าหรือบ้านของลุงนาของพวกเจ้าหรือบ้านของป้านาสาวของพวกเจ้าหรือบ้านที่พวกเจ้าครอบครองตุญแก่ของมันหรือบ้านเพื่อนๆนของพวกเจ้าไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่พวกเจ้าที่จะร่วมรับประทานกันเป็นหมู่หรือแยกกันเมื่อพวกเจ้าเข้าไปในบ้าน ก็จงสลามให้แก่ตัวของพวกเจ้าเองเป็นการคาราวะอันจำเริญยิ่งจากอัลลอฮ์เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้เขา้าใจอินนัมุมุมิน و النَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ و َาِ ذ ا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أ َ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا سَأَذَنُوكَ ت لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَلْ لِمَا ش ِ ئ ْ ت َ مِنْهُمْ وَاسْتَوْفِلَهُمُ اللَّهُ อินลแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นคือบรรดาผู้ศรัทธาต่อรอดและรอศูนของโพรมและเมื่อพวกเขามารวมกันอยู่กับเขามุฮัมมัดในกิจการที่สำคัญพวกเขาจะไม่ละออกไปจนกว่าพวกเขาจะขออนุญาตจากเขามุฮัมมัดเสียก่อนแท้จริงบรรดาผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้านั้นเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อรอด แล้วหรอสูงของโปรงฉะนั้นเมื่อพวกเขาขออนุญาตต่อเจ้าเพื่อกิจการบางอย่างของพวกเขาแล้วก็จงอนุญาตแก่ผู้ที่เจ้าพึงประสงค์ในหมู่พวกเขาเถิดและจงขออภัยโทษต่ออัลลอ์ให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم ل و ا ذ ا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم كثنة أو يصيبهم عذاب أليم พวกเจ้าอย่าทําให้การเรียกร้องของรอซูลในหมู่พวกเจ้าเป็นเช่นเดียวกับการร้องเรียกระหว่างพวกเจ้าด้วยกันเองแน่นอนอลัลลอฮ์ทรงรู้บรรดาผู้ที่หลบเลี่ยงออกไปในหมู่พวกเจ้าดังนั้นบรรดาผู้ที่ฟ้าฝืนคําสั่งของเขามวัวหมัดจงระวังตัวเถิดว่าเพราะกรรมจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาหรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาเช่นกันอนัลล إ ن ل ل َّ ه م ا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و ا ل أ َ ر ْ ض ق د ي َ ع ل َ م ُ م ا أ َ ن ت ُ م ع ل َ ي ه ِ ق د ي ع ل م مَا َ ن ت ُ م ع ل َ ي ْ ه ِ و َ ي َ و م َ ي ر ج ع و ن َ إ ل َ ي ه ف َ ي ن َ ذ ّ ب بِمَا عَمِلُوا و ا ل ل َّ ه بِكُلِّ ش ي ْ ء ٍ عَلِيمٌ. <تصفيق> แท้จริงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สภาพที่เป็นอยู่ของพวกเจ้าและวันที่พวกเขาจะถูกนํากลับไปยังพระองค์ดังนั้นพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทําไว้และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง